คงเคยนึกออกกันนะว่าธรรมนั้นสามารถมีการย่อการขยายได้คําว่าย่อธรรมะเนี่ยนะถ้าถึงย่อที่สุดก็คือทำทั้งปวงเนี่ยนะดํารงอยู่หรือว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ด้วยอาหารคํานี้ย่อหรือคําว่าสังขารเนี่ยก็เป็นคําที่ย่อที่สุดละสังขารธรรมทั้งหลายพิสดารขึ้นกว่านั้นอ่ะ น, นะก็คือนามรูป ย่อที่สุดคือสังขารพิสดารเพิ่มกว่า น, นั้นก็คือนามรูปกว้างขวางขึ้นกว่า น, นั้นอีกเป็นหมวดสามคืออะไรก็คือภพสามภพสามธาตุสามพวกนี้เป็นต้นเนี่ยคลุมหมดเลยภพสามธาตุสามภพสามก็คือเอกโวการภพจตุวโคคารภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพอย่างเงี้ยก็คือกลุ่มภพสาม ทิศ adan เพิ่มไปกว่า น, นั้นก็คืออาหารสี่อาหารสี่นี่ก็คลุมหมดเลยทิศ a d a กว้างขวางไปกว่า น, นั้นก็คือขันห้าขันห้ากว้างขวางไปกว่า น, นั้นก็คืออารมณ์หกเพ่อย่อมอาทวนกลับมานิดหนึ่งคือธรรมะหมวดสี่ที่ว่าเนี่ยจะเรียกว่าทิถังสุตังมุตังวิญญาตังก็ได้เนเนียก็ถ้าเป็นสี่นะห้าก็อุปาทางขันห้าหกก็อารมณ์หก ถ้าเจ็ดก็วิญญาณทิฏฐิเจ็ดนี้ก็คลุมหมดแปดก็โลกธรรมแปดนี้ก็คลุมหมดละเก้าก็สัตวาเก้าก็คลุมส่วนสิบอายตนะนี้ก็เป็นธรรมที่มีส่วนเหลือนับว่ามีส่วนเหลือเพราะว่าเว้นมโนกับธรรมะออกไปหรือถ้าสิบสองก็เป็นอายตนะสิบสองสิบแปดก็เป็นถ้าสิบแปดเราก็คุ้นเคยกันในขันอายตนะ อีกนายหนึ่งอีกนายหนึ่งที่ที่มาใช้บ่อยเนี่ยคือนามรูปใช้บ่อยมากและคือนามรูปสังขารแต่ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเดียวกันต่างกันโดยโวหารเทศนาเหมือนกับคําว่าขันกับปริยรูปสาตารูปเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็น ปิยรูปสาตรูปเหมือนกับชี้มาบอกว่าอะไรมันที่เราชอบเพราะคำว่าขันนี่กว้างขันนี่กว้างเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปิยรูปสาตรูปมันก็แคบลงมาเฉพาะส่วนที่เราปรารถนาเราพอใจถ้าคำว่าขันเฉยๆบางทีก็อะไรก็ขันไปหมดเลยแต่ถ้ามาแยกว่าสิ่งเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาเราพอใจนะทีนี้เมื่อทำทั้งหลายเนี่ยสามารถแยกได้ทั้งโดยโย โดยพิสดานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงได้ตามถ้าประสงค์เลยว่าสแสดงกับบุคคลใดกับเรื่องนั้นๆเนี่ยใช้แบบยอ่อหรือแบบพิสดานหรือแบบปานกลางคัดได้หมดเลยพระพุองค์รู้อัธยาศัยแล้วพระองค์นี่เข้าใจพระธรรมอย่างดีจําเนกแบบไหนก็ได้เรียกว่าธรรมราชาเนี่ยนะธรรมราชาก็คือเป็นราชาแห่งพระธรรม ที่สามารถยักย้ายหรือเป็นคนที่ไม่จนเรื่องนี้เป็นคนที่ไม่จนเรื่องคตธรรมจะพูดแง่ไหนพูดปริยายรายๆพูดเป็นร้อยปีก็ไม่มีจบนะมาราแต่งเอามาแสดงได้ขนาดนั้นความความความที่พระองค์นั้นมีบุญขนาดนั้นอย่างเราทั้งหลายมาเรียนปฏิสัมพิธาเนี่ยเป็นการเรียนแบบว่าเพื่อเพื่อให้มีปัญญาที่เป็นปฏิสัมพิธา ันผู้ที่มีปัญญาเป็นปฏิสัมพิทาเนี่ยสามสารถที่จะกล่าวธรรมโดยโดามมาย่อ ก, ก็ได้สามารถที่จะกล่าวธรรมโดยพิสดารก็ได้ทั้งโดยย่อทั้งโดยพิสดารนี่ได้หมดเลยหยิบประเด็นไหมมาแสดงมากล่าวก็ได้นัผู้ที่แบบพิสดารเนี่ยฟัง hours. สา ม, มารถแสดงได้อย่างกว้างขวางหรือผู้ที่กว้างขวางในปฏิสัมพิทาสามารถฟังแล้วโยกขยายได้ก็ได้ยินอย่างพระนนเนี่ยฟังแล้วแต่เป็นกี่หมื่นบท หกหมืนบทเนี่ยนะของเราเนี่ยบทหนึ่งตบทอบท์เขาให้ได้เถอะถ้าได้บทตบบทเมื่อไหร่นี่ของเรายุคนี้เก่งที่สุดแล้วนะถ้าใครได้บทตบบทนี้เก่งมากถ้าอ่านพระไตรปิฎกคัดจําได้ทุกคํำตามน้นนี่ก็เก่งมากแล้วมันต้องไปขยายอะไรได้มากมายหรอกนั่เองในของเราอันนี้บทตบบทยังยากนะหนึ่งบวกหนึ่งยังยากเลยแต่กลับไปย้ายหนึ่งบวกหกหมื่นเนี่ยนะอาจจะยี่สิบได้หนึ่งอย่างเงี้ยไหมหรือสองหน้าได้หนึ่ง สมัยก่อนอ่านพระไตรปิฎกนะ้ําบางเล่มอ่านทั้งเล่มเนะี่ยจับได้ไม่รู้ได้ถึงสิบคาหรือเปล่าไม่ทราบน้อยเต็มทีนะนะพันได้หนึ่งก็ยังมีอย่างเงี้ยรู้ได้ววันนี้ทั้งวันจะได้ไปกี่คําเป็นจานได้กี่คนะําแล้ววันนี้กลับบ้านได้อาศัยกับไม่อาศัยนี่ก็เอาละเพราะพระองค์สามารถแสดงแบบย่อก็ได้แบบพิสดารก็ได้ผู้ที่แตกฉานมีความรู้ในด้านปฏิสมัมพิทาก็สามารถที่จะทรงแบบย่อก็ได้แบบพิสดารก็ได้ ก็คือสามารถที่จะขยายก็ได้ฟังก็ได้เอาไปตรึกไปไข้ควงแบบไม่ยากจนในการพิจารณาคืออย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถ้าให้เราพิจารณาเราพูดแบบภาษาชาวบ้านมันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็พูดได้เท่านี้แหละเกินกว่านี้พูดอะไรต่อก็พูดไม่ได้แต่ถ้าเรียนแบบปฏิสัมพิธามานะจะเริ่มได้ได้ยังไง อันนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแสะดงแบบย่อ ก, ก็ได้แบบพิสดารก็ได้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสังขารธรรมไม่ใช่หรือแบ่งเป็นสองนามรูปได้ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไตในภพสามใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยอยู่ด้วยอาหารสี่ใช่ไหมอย่างนี้ก็สามารถที่จะแสะดงโดยปริยายต่างๆก็ได้หรืออันนี้โลกของอาการขยายโดยนัยต่างๆถ้าโดยการพิจารณาล่ะ ผู้ที่มีความรู้ด้านปฏิสัมพิธาเนี่ยสามารถพิจารณาได้กว้างขวางมากเช่น น, นะอย่างน้อยที่สุดนะจากโคจากโคสมุไทยจากโคนิโรจากโคนิโรทคา ม, มินีปฏิปทาอย่างนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมโสตอย่างนี้ก็ได้ไปเยอะแล้วถ้าจากโคโควรกําหนดรู้จากโคสมุไทยควรละจากโคนิโรโควรทําให้แจ้งจากโคนิโรทคา ม, มินีปฏิปทาควรเจริญ ก็ไล่อย่างนี้ไปอีกจะโคเนี่ยต้องบรรลุด้วยการกําหนดรู้นะจะโคสมุทัยบรรลุด้วยการละจะโคนิโรตบรรลุด้วยการทําให้แจ้งจะโคนิโรถ้าคาไมินีปฏิปทาบรรลุด้วยการเจริญเนี่ยนะจะโคจะโคสมุทัยจะโคนิโรตจะโคนิโรถคามินีปฏิปทาอสาธาจะโคอาทีนาวะจกโคและเนสรณะจะโคเนี่ยนะ หรือถ้าท่องพวกอธิตะปริยัตสูตรได้ก็ได้เพิ่มไปอีกทั้งเยอะในณตมหาตุกะสูตรก็สิ่งเดียวกันเนี่ยสามารถไปแสดงโดยนิย่าต่างๆก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าจักขู่เป็นของศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนนันผู้ที่เข้าใจปฏิสัมพิทานเนี่ยสามารถไปแปรรูปได้ทั้งเยอะยะไปหมดเลยสามารถไปสงเคราะห์โดยยาณนะต่างๆโดยประการต่างๆก็ได้ อันผู้ผู้ศึกษาในลักษณะนี้ถ้าเป็นองคคุณของพหูสูตรเนี่ยพหูสูตรจึงเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันอันช่วงเรียนปฏิสัมพิทานนั้นถ้าใครตั้งใจเรียนแล้วก็ทรงจําพระธรรมเหล่านี้ไปได้ก็เอาไปใช้พิจารณาไปเจริญได้ได้อย่างมากจริงๆบางทีเนี่ยวิธีพิจารณารู้มากมายแต่ว่าพิจารณาไม่ได้เพราะสมาธิีอ่อนเพราะพวกนี้ถ้าสมาธิอ่อนนะคิดมากแล้วฟุ้งฟ่าน บางพวกเนีที่ที่มีความรู้ดีแต่ไม่ค่อยเอาไปตรึกเอาไปพิจารณาเพราะสมาธิไม่ค่อยดีพวกนี้จะนํามาซึ่งความฟาุ้งซ่านหการพิจารณาธรรมะที่ถูกต้องสงบความรู้จะกว้างขวางขนาดไหนก็ต้องสภาพจิตนี้สงบไม่ฟุ้งซ่านอันนั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องสมัยแรกๆเลยนะเคยหัดสาธยายอภินยยนิเทศนี่แหละนั่งสาธยายไปเรื่อยแล้วมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นเองมันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยไม่ใช่เรารู้แล้วพลาด มันเกิดจากว่าไม่เยียบคายเพราะบางทีเราไปคิดถึงแต่คำจักคูจกัจกคูสมุทัยก็จักูจกัจกรูสมุทยัยที่ไหนก็ไม่รู้เนึ่องจากูในความฝันอะ่ะถ้าพูดถึงจักรูอะไรเรานึกถึงอะไรก่อนก็นึกถึงตาสิอันนี้มันไม่ใช่จักรูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็สาทยายไปอย่างนั้นเรื่อยๆมันไม่ฟุ้งอยู่ได้หรอฟุ้งอยู่แล้วละ่ะแต่ทีนี้การพิจารณาธรรมะก็เหมือนกันก็ต้องมีสภาวะรองรับ มีสิ่งที่พูดถึงเนี่ยรองรับเนี่ยนะมีคนงานห้าคนหน้าห้าคนเขาอีกสองคนทํางานอีกสามคนไม่ทํางานเลยคนงานก็อยู่ที่ไหนนะนึกไม่ออกเหมือนกับว่าพูดถึงใครที่ไหนก็ไม่รู้ชั้นใดก็ดีการพิจารณาธรรมะก็ลักษณะเดียวกันเวลาเราจะพูดถึงวัตถุดใดควรนึกถึงวัตถุนั้นแล้วสายายก็ทําทตามเนี่ยอย่างนี้จะ ก, ก่อให้เกิดปีติและปรามโมทย์อย า, ากจักรครูเป็นของร้อนเราก็นึกถึงจกักขคูของเราเนี่ย มันเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนแล้วก็นึกถึงโสตะด้วยเนี่ยนะคานาเป็นของร้อนแล้วก็นึกถึงจมูกเชียวหาเป็นของร้อนแล้วก็นึกถึงลิ้นแล้วก็สาธยายไปด้วยก็นึกไปด้วยอย่างเนี้ยจะได้ประโยชน์แต่ถ้าสาธยายแต่วาจาอย่างเดียวก็ได้แต่ความคล่องอย่างเดียวก็ดีกว่าไปพูดอย่างอื่นเหมงอนกันเถอะแต่ว่าไม่ได้อะไรก็ได้อยู่เหมือนกันดีกว่าเพอเจรอย่างอื่นทั้งหมดนะแต่ว่ามันน่าจะได้มากกว่านั้น น่าจะดีกว่านั้นน่าจะก่อให้เกิดปีติและปราโมทกว่านั้นมาหัวข้อหลักๆในปฏิสัมพิธาเนี่ยนะหัวข้อหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หนึ่งร้อยเออขอพายสองร้อยหนึ่งหัวข้อสองร้อยหนึ่งหัวข้อเท่านั้นเองอันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อหลักนนะี่ที่ที่พระสารีบุตรเอามาเรียบเรียงแล้วก็สองร้อยหนึ่งหัวข้อเนี่ยเป็นธรรมะที่เราว่าใช้ตลอดคัมภีร์ นะธรรมะสองร้อยหนึ่งหัวข้อใช้ตลอดทำพีปฏิสัมพิทาที่ใดคำมีจกักขุเปชรามรณะใช่เลยเนี่ยนะสองร้อยหนึ่งหมดเลยนะรู้กันแล้วก็นี้ยังดีเลยบอกอมตะนิพานเป็นที่สุดด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งเปยาวมากถ้าพิมพ์หมดนะปฏิสัมพิทาเนี่ยเชื่อว่าเล่มอย่างนี้ไม่น่าต่ำกว่าห้าเล่มเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้สงของปยานช่วยไว้เป ทีนคนไม่รู้ว่าไปยังไงมายังไงละเนี่ยนะละยังไงไปยานเนี่ยไม่รู้ไปยังไงมายังไงก็เลยอ่านแล้วก็ผ่านหมดเลยอย่างเมื่อเช้าที่อาจารย์สันติพูดเนเกษาเกษาสมุทัยเอามาจากไหนคือคือถ้ า, ถ, าถ้าศึกษาไม่เป็นเนี่ยนะไม่รู้เอามาจากไหนจริงๆเลยนะหาไม่พบนะบอกอยู่ในปฏิสัมพิทาไปอ่านแล้วคํานี้ไม่มีไม่มีจริงๆนะถ้าไม่ไม่ไม่เข้าใจหลักการเนี่ยไม่มีจริงๆนะคํานี้นะที่พิมพ์ออกมาเนี่ย พขอยู่ในคําว่าเปร์รู้กันเนี่ยรู้กันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยรู้กันเลยทีนี้จะคู่จะครูสมุทรไทยยังมีเลยใช่ไหมเกสาเกสาสมุทรไทยอยู่ตรงไหนอ๋อหาเจอมั่งใครหาเจออนนเอเจอคุณกันตาเจอแล้วนีน่เหมือนกันเดี๋ยวผมบอกว่าท่านเอาอะไรมาพูดเังไงยากคือถ้าคนที่ไม่ศึกษาดีๆเนี่ยนะโดยที่ไม่เข้าใจคําว่าปยานี่ก็จะลักษณะนั้น มันธรรมะสองร้อยหนึ่งหัวข้อเนี่ยเขาจะพูดแต่ตอนหัวกับตอนท้ายให้ดูพอเป็นตัวอย่างพอพอแล้วเนี่ยนะแต่นี้ดูหัวดูท้ายระหว่างกลางมันนึกไม่ออกเลยยากทีนี้ในบรรดาธรรมะเนี่ยสองร้อยหนึ่งหัวข้อแต่ก่อนสองร้อยหนึ่งหัวข้อมันจะมีธรรมะสามสิบสามสิบสามสิบนั้นทําไมพระสารีบุตรต้องยกมาไว้ข้างหน้าเหตุผลเขาบอกว่าเป็นพุทธพจน์ที่มีใช่มาก ภาษาดิบจะไม่ทิ้งแนวของพุทธพจน์เอาไว้ไม่ไม่ทิ้งแนววันั้นเอาพุทธพจน์มาตั้งเช่นจกักรครูควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจักรคูวิญญาณควรรู้ยิ่งจักรครูสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขม์มสุขเวทนาที่มีจักรครูสัมผัสเป็นปัจจัยควรรู้ยิ่งอันนี้เป็นพุทธพจน์อันนี้ภาษาริบุก็มาขยายว่ า, ามายกหัวข้อว่าขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณควรรู้ยิ่ง ทีนี้ขันห้าเหล่านั้นเนี่ยขยายเป็นยังไงถ้าเราจะที่บายขันห้าเราที่บายว่ายังไงอันนั้นถ้าภาษาริบุตรก็ขยายให้เห็นชัดอ่ะขันห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมอย่างเงี้ยก็ไล่มาอย่างนี้แม่แต่อริยสัจนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันของเราเที่เรียนเนี่ยนะพยายามจะให้แนวทางไปเอาไปคิดต่อมากกว่าที่จะพาเปิดอ่านตามตา ม, ตามอักษรเพราะว่า ถ้าแง่เปิดอ่านและอธิบายไปตามคำเนี่ยนะซึ่งของมาเชื่อว่าหลายคนในที่นี้มีความสามารถเกินกว่านั้นอยู่แล้วเกินกว่าที่จะพาอ่านทุกคำนั้นก็โดยมากก็จะเรียกว่าหยิบยกประเด็นอะไรที่ควรเอามาพิจารณาเป็นหลัก<ม>อย่างยกตัวอย่างในอริยศาสตร์เนี่ยนะอริยศัสตร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างชาติทุกใช่ไหมอะไรชราทุกมรณะทุกเนี่ยนะ โสกะทุกปริเทวทุกทุกขะโทมนัอุปาญาต อ, อุปาญาตแล้วก็อัปปิยะเรียกว่าอะไรนะอัปยะอัิเยหิเนาะอัิเยหิวิปโยกอิอัิเยหิสมประโยคนเนี่ยนะวิปปเยหินี่นวิปโยกอะนะปิเยหิวิปโยนะปโค แล้วก็วิบแล้วก็ยำปิดชังเนี่ยนะประถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวนี่เป็นชื่อของอะไรเนี่ยนะอุปาทานขันห้าสรุปว่าทุกทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นอายตนะสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวัก สลายเอ่อมหาวราวัชสัจสังยุตอายตนะสูตรบอกเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมบอกเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทุกขสัตเนี่ยนะชื่ออายตนาเนะี่ยนะมีทีนี้เนี่ยลักษณะของทุกขสัจว่ารวมๆเนี่ยทุกขสัตเป็นอย่างนี้ใช่ไหม